ัที่อยู่ในพื้นที่ -105 ที่ชื่อว่าพื้นที่ได้แก่พื้นที่สวนพื้นที่วัดที่ชื่อว่าทรั์ที่อยู่ในพื้นที่ได้แก่ทรั์ที่เขาเก็บไว้ในพื้นที่โดยฐานะสี่คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งภิกษุมีทัยจิตคิดจะลักรั์ที่อยู่ในพื้นที่หาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียว ต, ออต้องอาบัตทุกกฎจับต้องต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตปาราชิกภิกษุกล่าวตูเอาพื้นที่ต้องอาบัต <het Feels goodbye> ทุกกฎทำให้เจ้าของเกิดความสงสัยต้องอาบัตทุลใจหากเจ้าของทอดทุระว่าจะไม่เป็นของเราต้องอาบัตปาราชิกภิกษุเมื่อดำเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอาบัตปาราชิกเมื่อดำเนินคดีแพ้ความ ต้องอบัตทุลยใจภิกษุปักหลักขึงเชือกล้อมรัว้วหรือถมคันนาให้ลุกล้ำพื้นที่ต้องอบัตทุกกฎเมื่อความพยายามลุกล้ำพื้นที่อีกครั้งเดียวจะสําเร็จต้องอบัตทุลยใจเมื่อความพยายามครั้งสุดท้ายสําเร็จต้องอบัตปาราชิก